ท่านก็จะเป็นตัวอะไรสักอย่างลําดับต่อนี้ไปอาตมาอาตมาขอเจริญนามพระสูตรนี้ได้ก็คงทํามาแสดงกับบรรดาท่านผู้จําบริสัตว์อันนี้จะพลอยให้บรรดาผู้เข้าในชีวิตต้องไส้ก็คงทํากันมากเอ่อมักจะมีบุคคลทั้งหลายมาถามว่าชาตินี้ไม่ทําทางชั่วอะไร อันเป็นความดีทุกอย่างเป็นก็ธรรมกรรมก็สร้างมาด้วยว่าเป็นโพจนธรรมและธรรมเทศนาก็สร้างและการปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งขององค์สมเด็จพระชินวรมหาสัพพัตถ์แก้วของธรรมก็ทําแล้วทุกอย่างให้ได้ของความดีที่ออกเณรกิริยาสีโทรเสริญแต่ถ้ากลับมาทุกกรรมชั่วสนองให้มีความผูก และนี้ก็เป็นปัจจัยให้เกิดความสงสัยการทําบุญในศาสนาก็องค์สมเด็จพระจอมไตรพระมรรคศาสนาไม่มีผลเพราะพวกจะเพิ่มความสงสัยเข้าบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนจึงขอนําอริยสูตรที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้มาให้บรรดาท่านพุทธบริษัทได้สดับเป็นหลักในวันนี้ กล่าวว่าตอนนี้จะขอนําเอาเรื่องของคน 3 คนที่มีความตามสนองเป็นการเกิดใครก่อนมาแสดงในบรรดาท่านพุทธบริษัทสายความตามพระบาลีมีอยู่ว่าพระสังฆเถระสัมมาสัมปทาเจ้าองค์พระเดชกระทัพอยู่ในใต้เชตวันมหาวิหารองค์ปรารภคน 3 คน ยังได้แสดงพระธรรมเทศนานี้ความว่าอัมพริสสิและสมมติอมัจฉิเป็นต้นความมีอยู่ว่าในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จทับแย่แครงสำเนานิเวศน์รากดได้อยู่ในพระคือตะวันมหาวิหารบรรดาภิกษุหลายรูปอีกนั้น มาเพื่อจะต้องการเข้า สอ. สมเด็จสมหมายสมุทรกลางอันนี้เข้าไปคือบ้านตำบลหนึ่งเพื่อจะบิณฑบาตอันนี้เป็นปกติบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายเพราะว่าบรรดาพระสงฆ์หลายย่อมมีชีวิตอยู่กับชาวบ้านเป็นผู้เลี้ยงก็มีชาวบ้านรับบาตรของภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นแล้วก็นิมนต์ให้นั่งชั้นที่สําหรับเป็นที่ขันธ์ โทรให้จัดสถานที่ไว้การทุกคนก็ถวายข้ายาโคระของเที่ยวสําหรับยาโคนี่ท่านเจออะไรเข้าตมเอาเที่ยวก็คงได้ขึ้นกับค่าเป็นต้นนี้เพียงเมื่อราเวลานั้นน่ะหมดนั่งส่งทํากันแล้วก็อย่างนั้นเมื่อไปแล้วถวายแล้วก็ถวายขอท่านแล้วก็รอเวลาที่พระฉันก็จะสั่งทํา <c oughs> ลักษณะนั้นเองรากสไฟลุกขึ้นจากใต้ของหญิงคนหนึ่งข้างหลังหญิงคนนั้นคนผู้ห้องข้าวรับลงตัดข้าวโต๊ะตัดกันน่ะท่านบอกแกแล้วกันนี่ที่ไฟไฟมันจะลุกติดชินไขคาเสริญยามนี้ที่ชินจากชัยคานั้น ทั้งนักทวีญญาณนี้ก็ทําเป็นกลมพลํภันญญาสนัถรองมอกขามออกแกนปุฏฐ์ปลือไสท่าลมพัดมากเรเคจะเรืองใหญ่จนนั้นก็ปลือปลัยบอดทัดในขนาดนั้นเองหากเกิดว่ามีสภาวะตัวหนึ่งมีมนอวินมนาอากาศเจ้าทวีญญาณนั้นมันก็เสาะเข้าไปได้พอกว่าแล้วพอมีในทางว่าเวลาที่จะบินมา เสริญยาตอนนั้นขึ้นไปไอ้ยกาตัวนั้นก็บินมาพอดีอาคารก็เข้ามาด้วยเสริญยานนั้นก็ดีเห็นอนุว่าเสริญยานั้นก็ติดคอพรรคพวกใครไม่ขนใครไม่ตัวเห็นนั้นว่ากาตัวนั้นขึ้นตามแล้วไม่ไหวก็ตกลงกลางบ้านบินต่อไปไม่ได้ก็เป็นนั้นว่าต้องตายกัน โลกกรรมอันนี้ไม่มีใครก็ทําให้ไปลุกขึ้นมาท่าที่จะตายตายตายระถูกไฟไหม้ลมพัดลอยขึ้นไปการบินแลขอสงฆ์ข้าพณีตายก็ไม่ตกลงมาตายบรรดาวิศวนั่นหลายเหล่านั้นเห็นศีลนั้นจึงคิดว่าเอมีบริยมท่านเล็กๆทําหนักแท้ๆท่านมีเมล ก็โค้งครับว่าทั้งหลายจึงมีอาการปกแปลที่เคยคิดเอาตามีตามธรรมดาอากาศเข้าวิมานอากาศบินวิมานอากาศเฉยๆเจ้าเสือนี่ถูกไฟลุกไล่เข้าไปในปราสาทเสือนี่ไม่มีชีวิตชีวาความหลิงของขาออกครอบเพ้งครอบเสื้อเข้าไว้แล้วก็ตกมาตายหลังเล็บนั้นสักฉันตัวไม่สามารถตริยากรกันได้ ตนได้เข้าในการไตร่บริมศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็คงไม่มีใครสามารถจะรู้ความทำนี้ได้จึงได้กล่าวต่อไปว่าพวกเราเมื่อได้เข้าองค์ทั้งแห่งสัมมาสัจจะแล้วก็ต้องทนทำเรื่องนี้แม้ฉันทั้งท่าหาเสร็จโนธรรณนาจะชุมนแล้วก็พากันลาวชุมนไปมีนายฝั่งหนึ่งท่านกล่าวว่า แล้วซึ้งๆอีชวนนั้นได้ไปเรือไฟเพื่อต้องการจะเข้าอังสมเด็จสมหมายสัพพะจักรเหมือนกันมีสนามนั้นที่เราได้หยุดเลิกเฉยในกลางมหาสมุทรขณะที่เรือวิ่งออกไปอีมีน้ำไฟแล้วไม่พอหยุดถ้าถึงสมัยนี้ก็ต้องดูว่าน้ำมันมันหมดหรือเปล่าถ้ามันเที่ยงหมดมั้ยถ้ามันพัดการเชื่อทะเลหมดหรือไม่แล้วเป็นอะไร เพราะว่าสมัยนั้นเป็นสมัยเรือใหม่ลมก็มีใดก็แรงแต่ละเรือจุด and all of the men all the sailors they try to keep the law since คนการจะมีจะมีในเรือนี้เพราะสมัยนั้นเขาคิดกันแบบนั้นถ้าอะไรมันไม่ดีเกิดขึ้นพระเอกจะนิสัย because all know that the guy is to melet with him ต่างคนต่างทําบทสลักเจอกกัน คนทุกคนจากฉลากฉลากไม่เป็นฉลากเพียงใครเมื่อทุกคนจากกันแล้วปัญญาของนายเรือตั้งอยู่ในกระสมะไร้แสดงว่าเป็นหญิงสาวนายเรือมีปัญญาสาวทั้งงามน่ารักเป็นหญิงเด็กสาวรุ่นๆเมื่อถึงเวลาฉลากถึงแต่งหมายความว่านางกับฉลากแล้ว อ๋อแล้วก็พากันว่าจึงเกิดฉลากอีกใช้ความอักขระหลักมาแจกกันอีกแล้วถึงจะกันได้ 3 ครั้งฉลากก็ถึงกันนางนั้นคนเดียวทั้ง 3 ครั้งเพราะฉะนั้นว่าใครคนจะเสี่ยงทายขึ้นในฉลากว่าคนไหนต้องการกันไหนขึ้นฉลากนี้ก็ถึงจะบุคคลนั้นได้ขึ้นไว้ได้กระมวดอันนี้ก็ถ้าใครจับฉลากถูกฉลากตายแล้วก็มีนั้นก็เชื่อว่าเสียท้ายที่ถูกจากคนนั้น อันทําให้แทนท่านเป็นคนทั้งหลายก็ได้ว่าอัญยาของท่านในเรือเป็นหญิงสาวน่ารักสุดเด็กหญิงใบรุ่นจักคนรักที่สามญาละก็ถูกฉลากในนั้นทุกครั้งบรรดาผู้ที่เคยในเรือเคยดูหน้าในเรือเพื่อจะทราบว่าหมายจะว่ายังไงกันอัญยาของท่านเห็นเป็นคนกล้าและมีทั้งหน้าอัญยา <c ười> <c ười> จึงกล่าวว่าพระพุทธเจ้าไม่อาจจะให้มหาชนชุบถ่ายได้เพราะนี้ก็หมายความว่าไม่เคยหาวิบปัญญาของท่านเนี่ยถึงฉันตะกะริกณีมีนรสุกันตัสสละก็ไม่มีอคติการจัดก็ไม่ได้โดยให้กลับทีหลังตามธรรมดาไม่มีวิบปัญญาเท่าไหนยังจับก่อนอื้อแต่ว่าจนหลังก็จับโฉละใบที่ดูกาลิกณีได้ที <Jord i diving matrix> ทำบารู้กันหลายด้วยท่านสายทํายังไงกันหน่อยนายแต่ถ้าโทษก็กลัวว่าเกรงว่านายจะโกรธเอาเลยรู้อะไรเลยก็กลัวมากอะไรจะโกรธกันจะให้ไปด้วยท่านน่ะว่านี่จะทํายังไงถ้านายท่านก็ดีท่านก็มีคนมากสิ่งกว่าปัญญาของท่าน อันนี้เถอะว่าเราไม่ต้องการให้คนอื่นสียดหายคนเพียงเป็นเมียน่าของเราคนเดียวแต่เธอเมียนี้น่าไปกว่านั้นถ้าไม่ต้องการให้บุคคลนี้ทั้งหลายเรานี้ต้องยอมยัดไปด้วยฉะนั้นเพื่อพระเยอคํานางนี้ต้องท่านจงชื่อขอในนามพระศึกที่หมายความว่าถ้าเขาจะรักเมียเพื่อพระเยอคํานางก็ไร้คนอื่นตายเอ่อก็รักคนมากแส่ก็ต้องเสียเมียตาย อัลเลาะห์ก็บอกว่าเราจะดลให้คนอื่นที่ถ่ายไม่ได้เพื่อวิญญาณคนหน้าคนเดียวโดยเหล่าคนหลายเหล่านั้นเค้าจับโยนลงไปในน้ํามันมันไม่มอบให้มนุษย์จับดงทิ้งน้ํามีเอาตอบมรณะไทยแสดงขอความชื่อเหนือและขอความเมตตาแต่เรอดีนี่เสียอย่างนั้นจึงกล่าวว่าน้องรัก เพราะว่าอะไรแต่อาคมของนางนั้นหากว่าเราคลายใจในเธอความอิจฉาก็จะเกิดกับบุคคลหลายจากเราซึ่งคนหลายมีชีวิตที่ยิ่งกว่าเธอชีวิตมากกว่าเธอเพียงคนเดียวคือศรัทธาชีพคือประโยชน์ส่วนใหญ่ And these some kind of banana my real animal guide Leo No real form สามในความเสื่อมของภรรยาที่น่ารักแต่มัน จึงกล่าวว่าพวกท่านจงเพ่งสมาธิกันทั้งหมดให้มานมผ้าเก่าผืนหนึ่งแล้วจุดเทียนในนั้นนั่นพระมนย่าทอดแก่ทีน้ําเขาก็ไถ่ขอให้บรรดาคนทั้งหลายเรื่องเครื่องบรรดาคนนางที่ต้องงานขอสรรพธรรมท่านทั้งบรรดาไม่ก็ต้องต่างสวยสวยมากก็มีทุนมากเอาละเขาก็บอกไปว่าข้าพเจ้าจะได้จะได้ลองดูนาง คนเต็มอันยาดใหม่ที่เขาใส่อ่อนเหมือนกันแต่ศิลป์ลองดูเถอะถ้าจะจับไม่ไม่กลับเธอลงในงานด้วยความจริงคนอเมริกันดีๆเนี่ยก็จะจับคนเงินนะที่นำให้ถึงความตายก็ต้องชิดเพราะว่าที่เขาก็มีมั่นใจเด็ดเดียวเห็นประโยชน์ส่วนใหญ่มากกว่าประโยชน์ส่วนน้อยที่วางรักษาปัญญาไว้แค่คนเดียวแต่คนอื่นจะต้องตายหรือเขาไม่ทํางั้นใจเหล่านี้ เหล่าจะหาหมากเป็นผู้นําประเทศผู้นําจังหวัดผู้นําหมู่บ้านผู้นําตำบลถ้าพวกเราได้คนแบบนี้ก็ประเทศชาติจะมีความสุขเมื่อเขาเถยวดังนี้ว่าข้าพเจ้าจะไม่ดูแลนั้นคุณไม่อยู่ในทศาณานได้เพราะฉะนั้นพวกท่านจงเอาเครออมไหตานที่ใส่น้ําใส่น้ําที่สมแล้วก็ปลูกสายเอาไว้ใส่น้ําแล้วก็ สงสัยสายกันถูกว่าดีคอเรือนมาลงไปเสียในมหาสมุทรเอเลฟ่าอะไรจะจะได้ไม่เห็นไข่มะการที่เขาไหลน้ําขอคางชื่นเหลือก็เคยว่าจะย้อนบรรดามนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นก็ได้กระทําตามนั้นแล้วเวลามันเผาก็รับตาแล้วเปล่าก็ลงถึงนางนั้นที่ตกไปในน้ําเวลานี้ก็คงจะเป็นเหยื่อของเหล่าคนนี้ คนหลายที่สร้างเรื่องแล้วมันก็สุดแล้วมีมีที่ไปอศักดิ์ใช่คนละพวกกับพวกท่านพวกก่อนที่ทางไหนหน่อยมีความจริงครัญญาของไหนก็อยู่ดีๆไม่ได้ทําความเพิดแต่มีปริวัคค์ที่อย่างการหน้าที่ของครัญญาที่ดีก็ทําหน้าที่ของแม่หน้าบ้านแต่ถ้าอยู่ๆเค้าก็หาว่าเธอเป็นนางการกินเลยแม้แต่ยังมีมันก็แปลกมันก็บันประหลาด ถ้าฉลาดขึ้นมาบ้างฉลาดมันก็มีความหมายว่าคนที่ไม่ดีถ้านั้นจะต้องเป็นผู้ถือฉลาดทีถ้าไม่เอียงยอกมาทีเธอไม่จับได้ทั้ง 3, 3 ครั้งถ้าจะคิดแต่คนอื่นใจร้ายมันก็ไม่ถูกถ้าอยากให้ว่าคนอื่นใจดีคิดนานตามถูกตามควรก็ไม่เอียงมันเป็นข้อกรรมไปจักผู้ฉลาดทั้งทอดแล้วก็ไม่ควรเหมือนกัน คนเอาต่างจะทําให้คนหลายชาวเรนั้นจะผิดที่จะถูกแม้จะเป็นกฎเวลามีมีทําหลายฝ่ายเป็นที่มาโดยรู้ไม่ได้นอกจากองค์สมณศักดิ์อาจารย์ใดก็ไม่ศาสนาสัมมากับพระเจ้าและไม่มีใครรู้แน่ฉะนั้นเราผู้เราเลยเข้าออกสมณศักดิ์ผู้มีพระภาคเจ้าใครจะเป็นขันธ์ในครั้งนี้จะออกสมณศักดิ์ผู้มีพระภาคเจ้า นี่ทําไม่ได้จะทําให้หาความคิดไม่ได้โอไล่ตํานานในส่วนเดียวกันทั้งกล่าวว่าที่ใส่เงินที่พวกเหล่าสมิชคโสคนที่เลลามา 2 พวกไม่บอกจํานวนพระต่อว่าที่ใส่อีกเพิ่มใหม่มีจํานวน 7 พวกไปจากกัณฑ์ละชนะหมดเมื่อต้องการจะไปสมัครสมาคมก็ได้ครับ คำว่ากัญจกะฉะนั้นว่าสมัยทั้งราบประเทศไทยดินอยู่ในฝากไหล่ไทยกับกระจกเรไรเลยรายจริงต้องเข้าไปในวัดแห่งหนึ่งก็จะพระสายที่ทักที่ไม่ท้องห่าที่ทักมีไหมครับตรงเนี้ยขับจนท่านในในวัดแห่งนั้นก็มีท่านแห่งนึงมีที่เรามีที่เดียวพอดี เขาทํามากับมาติดอยู่คล้ายๆกับคนทั่วๆตั้งท่าแค่ตัวเองเมื่อสิเดินหลายแล้วนั้นเราเห็นท่านนั้นแล้วแล้วก็เข้าไปในท่านนอนบนเตียงนั้นแล้วก็แต่งศาสีผมเห็นพระเหล่านี้เยอะอะไรก็ควรได้หลายเยอะใหญ่ขึ้นลงมากี่ชั้นตัวทําไมท่านดาภีสุขท่านหลายจะของที่เรียกว่า ขออภัยท่านถึงแก่ภิกษุผู้ท่านทุกท่านมาความมาหลายพระที่เดินทางมานานในที่นี้อาตมภาพก็คงคงใหญ่นี้มันพอสึกโซชแล้วเราจะนําท่านถึงเมื่อออกถ้าพากันที่ไม่พากันเตือนชนทุกแห่งบ้านบ้างวัดบ้างภิกษุทั้งหมดบ้าง ก็อาศัยโรงรถตรงตําบลนั้นแหละครับก็มีมันได้มากใครก็พยายามอยู่เพื่อที่ให้มันออกไอ้มันมันก็ยังไม่ยอมจะออกถึงเท่าไหร่จะทํายังไงยังไงมันก็ไม่เคลื่อนที่ออกมาหน้าสักเท่าคนที่ตําบลแม้แม้เสื้อที่ก็ไปอยู่ใครไหนมันไม่ซื่อๆอะไรก็ทําหลายแล้วนั้นที่ข้างในก็พยายามเหมือนกัน พลานผู้จะสั่งทีมให้ออกให้คนออกไปแต่ก็เลยอาจจะเดินกันหลายก่อนมันก็ยื่นออกไปได้ตลอดเวลา 7 วันคนมันมีว่าทางหลายเหล่านั้นต้องถูกขังอยู่ 7 วันชาวบ้านเขตตำบลภาคด้วยเมืองด้วยแล้วก็ฟ้าภายในจิตโอนดังกันไปดังมาดําไปนอกจนนั้นมันยอมออกคนระลอกละทั้งหมด ทางในอด 7 วันเวลาตอนแรกก็จะบ้างก็ทำงานครบ 7 วันลัมดาพาคัมโบกะทางหลายที่มาเหล่านั้นก็เกิดความผิดแพเข้าเข้าไปกันการมีบริโภคหาญจะต้องคิดยุคแรกสมัยความพัฒนาก็มีความทุกข์หนักออกชาวบริติชเค้าจะฟังยากในประมาณวันที่ 7 สิ่งก็ขึ้นออกไปอีกอย่างประพละ ไม่มีใครก็ดันเวลาดันหินไม่ไปโล่แรงก็ก็เก็บกันแล้วไม่มีใครกล้าดันหินใส่เองบรรดาผู้พิสดารหลายที่โหนําออกมาแล้วต่างคนต่างคิดว่านี่มันเป็นบาปทางพวกเรานะเอ้ยมากประเภทนี้มันจะก็เท่าไหร่อย่างนั้นไม่แค่มีคําใหญ่ก็ไม่ทําอะไร แม้กับพ่อกับแม่หรือบิดามารดาก็มีความรักเคารพบิดามารดาทุกอย่างจะมีการดื้อกันด้านบ้างก็ลดไปได้น้อยข้อทั้งพลแต่ทําไมเราจึงจะไม่รับบาดกรรมขนาดโศกเศร้าอยู่ถึง 7 วันพอเค้าเคยจะไปได้ก็เอาเครื่องดันหินด้วยหินมันก็ไม่ไปแต่ว่าครบ 7 วันแล้วไม่มีใครไปทําอะไรกับหินพระทั้งนอกคนนอกก็คิดว่า พักที่โรงพยาบาลเนี่ยตอนนี้มันกําลังจะไปทําอะไรเค้าก็ไม่ทํากันเพราะในท่านจิตโองนั้นก็หมดแรงที่จะดันจริงเจ้าจึงนะครับเปิดไปจริงๆไม่เองท่านกล่าว 21 มีโปรแกรมหลักแต่ทําบทเพลงนี้นอกจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไม่มีใครสามารถจะรู้ได้ถ้าเกิดเราได้เข้าไปเข้าสมเด็จพระชองไตรจะต้องค้นถามเรื่องนี้ให้แตก เพราะฉะนั้นตั้งแต่นั้นภิกษุเหล่านั้นก็แลเดินทางต่อไปบรรดาภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อเวลามาถึงสำนักของอ๋อสมเด็จพระพุทธเจ้าก็มาบรรจบกันกับภิกษุพวกก่อนแล้วว่าทางพระธรรมก่อนจนถึงเดินมารวมกันได้อย่างไม่มีการนับหมาย กล่าวถึงกันเป็นคณะเดียวกันท่านเข้าออกสมบัติใคร่ตามใจทั้งหลายทั้งคงนั้นได้ซึ่งเคยเคยทั้งนี้ไม่จงมีอวิสังขารสติมลีเข้ามานะครับด้วยสมารนั้นองค์สมเด็จพระวิทุมารทรงกระทําพุทธะอีกอวิสังขารพัทธากลายใสและบรรดาวิเศษทั้งหลายเหล่านั้นนี้นี่ธรรมฐานเหตุที่ตนเห็นมา อธิษฐานขอไหว้หล้าการอำนัดหมายใครพระ 2 พวกนี้ถามเหวยต้องตายให้ท่านได้เรียนเอาเสียสมัครพวกหลังก็ถามเหตุที่ต้นจะต้องอดค่า 7 วันพระไสริหิรัญเจ้ากรรมท่านว่าเหตุจากนั้นออกคณะพระบรมังคก็เสกเวลนี้ให้อยากการกับบรรดาวิสุทธิทั้งหลายว่าพี่จะได้ดูกับวิสุทธิทั้งหลาย ตามนั้นเสวยกรรมที่ท่านทําแล้วนั่นแหละดีแท้มีมรรคอาวัคคาที่บินในอากาศที่สัจจะที่ครบครันสมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์เลยโปรดให้ไม่ทายใจสมกรรมที่ท่านทําไว้แล้วให้ชัดก่อนหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระชินอรที่มีพระพุทธดิศาตรัสว่าเรามีเตท่าน ที่ชายหน้าขึ้นเลยตรงข้างหน้าฤสีอันนี้ยายเตรียมเครื่องวางขอสําหรับทํางานสําหรับใช้งานอยู่ตัวหนึ่งแต่ว่าเนี่ยจะมีหนักกว่าแปลกมันจะเหวได้เหวด้านให้สามารถจะฝึกได้ถ้าว่าบุรุษของเค้าที่นั้นเดินไปด้านในเลยแล้วมันก็นอนเสียให้มันทํางานไปชายหน้าอะไรคือ ตอนแรกแล้วมันไปได้บางอย่างมันก็นอนแล้วก็ทําให้ทุกคนตีตัวไล่มันลุกขึ้นมามันก็ดําไปได้ใหม่แล้วมันก็นอนมันมันที่ที่ที่แล้วมันก็เดินอยู่แบบนี้แล้วมันกลับมาที่แบบนี้สักระยะนั้นอย่างงั้นชาวนาก็โกรธเลยยอมจะฝึกแล้วมันก็ไม่อยากจะปฏิบัติงานชาวนาคนนั้นก็โกรธ ยังมีบาคะวะก็ว่ามีได้ตัวที่แต่มีสมัยสมัยที่ตอนนี้แล้วจะต่อมาสมัยต่อไปที่ไม่ต้องลุกจากที่นี้ก็แล้วฉะนั้นเขากินนําเอ่อเขาตีนได้นําท่านทีนั่งต่างนั่งเข้ามาท่องท้อโดยใช้อย่างนี้เอาสางมาทําบริเวณในสังคังขอโทษนั้น ส่งแล้วก็จุดไฟก่อนที่จะจุดไฟด้วยฟางก็คืนเล็กๆเป็นตัวครอบฟางแล้วฟางคมใหญ่มากเพื่อคอนโทรลและปัดปีกโคแล้วก็จุดไฟไฟไส้แล้วก็ลุกโชนขึ้นมาครอบตัวนั่นด้วยความตายเองมูละมันมีกาวิธีการแทนมันทั้งหลายที่เป็นหลายเหล่านั้นก็สาดแล้วดําที่ตาตัวนั้น ซึ่งตั้งกฐินพระองค์ท่านได้โยมไม่ทราบว่าพิสูจน์เท่าไหร่กรรมอันบังดับนั้นไฉนเธอนั้นทําแล้วล่ะพลังเพื่อสมัยเพื่อเกิดจึงคนโชคโห้ต่อไปพระองค์ก็ไม่เว้นละละรักษากันนานให้บาปของกรรมอันบังดับนั้นก็ขึ้นมามากันหมดต่อกาอีกครั้งให้ทําเอาโขโขครั้งเดียว อาตมาก็เป็นการที่ครั้งนี้ก็ถูกหาบาดนี้โดยไม่มีเจตนาของใครทั้งสองทั้งทั้งที่ 7 County ก็อาตมาอาการบาดนี้เหมือนกันด้วยผลของกรรมที่ปรากฏในครั้งก่อนการนําเอากรรมทั้งหลายเหล่านี้มาแสดงแก่บรรดาท่านพุทธมฤคทได้รับฟังก็เพราะว่าเวลานี้มีคนส่วนใหญ่เคยมาฟังก็ต้องฟังไว้ครั้งนี้ทั้งความลึกภัย ก็ทําไมคุณถึงปัดไคลเองความทุกข์ที่มีทุกหลายได้ทํามาเปรียบเทียงแต่ว่าคําถามได้วันนี้แล้วก็จงควรให้เชื้อโตของท่านเพราะประธานสําคัญนี้สร้างทางได้ร้อนให้คือซึ่งอ้างอิงจากโครงการคล้ายๆกับท่านเลขาธิการกล่าวมาแล้วนี้ก็ได้สําหรับเรื่องนี้และตอนนี้พอดูเวลาก็หมดแล้วถ้าจะขอยุติเรื่องราวของสงครามของคน 2 คนไว้ณที่นี้ก่อน ขอพารึกษาว่าที่ท่านละมอขอสรุปผลโดยแก่หน่วยดะบันดาท่านผู้เฒ่าคณะนิเทศชนทุกท่านสวัสดี